เราตื่นก็วันหนึ่งอาจจะสิบหกชั่วโมงสิบแปดชั่วโมงส่วนจิตนั้นมันตรงข้ามนะเราหลงมากกว่ารู้เวลาที่เรามีความรู้ตัวเนี่ยมันเล็กน้อยมากเลยนะเมื่อเทียบกับเวลาที่หลงแม้แต่ในยามตื่นนะเราก็ยังหลงได้ เราหลงได้ทุกเวลานะไม่ต้องพูดถึงตอนหลับเนี่ยหลับนี่ก็หลงนะเราฝันฟุ้งปรุงแต่งไวสารพัดเวลาตื่นแล้วก็หลับเนี่ยเราตื่นและหลับเป็นเวลานะบางคนอาจจะตื่นหกโมงเช้าสี่ทุ่มเที่ยงคืนจึงค่อยหลับบางคนอาจจะตื่นตีสามสามทุ่มหลับ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 แต่ที่รู้แน่คือนะถ้าไม่หลับนะหรืออดหลับอดนอนนี่ร่างกายแล้วก็จิตใจก็แย่อันนี้เขาทดลองกับสัตว์ก็ดีกับคนก็ดีนะมันก็ได้ผลตรงกัน ว, ว่าหลับเนี่ยมันมีประโยชน์นะทั้งต่อร่างกายแล้วก็ต่อจิตใจถ้าอยากจะทรมานใครสักคนเนี่ยก็ทำให้เขาไม่หลับไม่นอน เอาน้ำสะอาดนะไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะสี่ห้าวันหรือเป็นอาทิตย์เนะี่ยเดี๋ยวก็ต้องเผยความลับออกมาหรือก็ต้องสารภาพนะคุมไม่ได้แล้วจิตใจหลับมีประโยชน์นะแต่หลงเนี่ยมันไม่ค่อยมีประโยชน์นะมีแต่โทษนะไม่มีประโยชน์เลยเพราะในขณะที่เราเอา่า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 ส่วนสารที่ทำให้หลับเ็าเรียกว่าอะดีโนซีนสองตัวนี้มันก็ออกมาตลอดเวลานะแต่ว่าตอนเช้านี่ออร์แลคซีนมากกว่ามันก็ทำให้เราตื่นนะแต่ตอนค่ำาๆเนี่ยอะดีโนซีนะมันก็ออกมาเยอะมันก็ทำให้เราหลับผู้ใหญ่ก็คือว่าตอนเช้านี่ออรแลคซีนชนะนะเราก็เลยตื่น หายง่วงที่เราตื่นนะเวลาอาทิตย์ขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเพราะว่าพอาทิตย์อย่างเดียวนะแต่มันเป็นเพราะสารตัวนี้ด้วยแต่ถึงแม้พระอาทิตย์จะไม่ขึ้นนะอย่างตอนนี้บางคนก็ตื่นแล้ะอย่างท่องวัดก็ตื่นแลนะก็เพราะไอ้อักซีนนี่แหละนะสารตื่นนะมันมากกว่า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 ซึ่งหลายคนก็ต้องพึ่งยาแต่โดยรวมแล้วเนี่ยละ่ะเราก็ไอสารสองตัวนี้มันก็ผัดกันแพ้ภาชนะ ก, กันเป็นเวลาตรงข้างก็หลงกับรู้นะหลงกับรู้นี่มันไม่ค่อยเป็นเวล่มเวลาเท่าไหร่และส่วนใหญ่หลงที่มันชนะนะรู้เนี่ยแพ้อยู่เรื่อยๆ ร, รู้ในที่นี้คือรู้ตัวนะ หลงเนี่ยคือลืมตัวหรือไม่รู้เนื้อรู้ตัวตัวหลงนี่มันฉลาดนะมันพยายามที่จะหาทางนะเข้ามาครอบงาจิตใจเราแล้วก็ขับไล่ตัวรู้ให้ออกไปแม้แต่เวลาเราตั้งใจนะที่จะมาทำตัวรู้ให้มากขึ้นอย่างเช่นเรามาวัดเนี่ยนะเราก็ตั้งใจว่าเนี่ยจะทำให้ตัวรู้เนี่ยนะมัน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 พอหลงเข้านะมันกลจะสวดผิดผิดถูกถูกนะโดยพระบทสวดที่ ค, คล้ายๆกันพุทธังทำมั ง, งนะสังคังนะสวดพุทธังจากแทนที่จะสวดพุทธังก็สวดสังคังแทนที่จะสวดทำมังก็สวดพุทธังไปนะอันนี้เพราะว่าหลงนะยิ่งกว่านั้นนะเวลาเรามาเจริญสตินะ ทำความรู้สึกตัวโดวยการยกมือสร้างจังหวะโดยการเดินจงกรมเนี่ย ท, ทั้งทั้งที่ตั้งใจนะว่าจะรู้ตัวให้ได้หรือมาเพื่อทำให้ความรู้ตัวเกิดขึ้นจะเป็นไงหลงนะใจลอยไปไหนไม่รู้เดินยังไม่รู้ว่าเดินเลยหรือว่ารู้บ้าง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 เราหลงแม่กระทั่งเวลาขับรถเราหลงแม่กระทั่งเวลาทางานขับรถอาจจะขับถูกทางนะถึงที่หมายได้แต่อันนั้นมันเป็นเพราะความเคยชินมากกว่าขับไปเส้นทางนี้นะเป็นประจานะทุกวันทั้งเดือนทั้งปีถึงแม้วขณะที่เรากำลังหลงขณะขับรถนะเช่นอาจจะ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 แล้วก็ตอบโต้ได้แต่สังเกตไหมหลายครั้งเราก็พูดด้วยความหลง <c oughs> เช่นมันนะคุยแล้วมันเพลินอยู่ในรถหรือว่าอยู่ในวัดนะก็ยังคุยฟุ้งนะอันไปได้ทั้งวันอันนี้เรียกว่ามันเพลินมันหลงนะมันฟุ้งนะ อย่างนี้เราไม่รู้ตัวนะไม่รู้ตัวในทางธรรมะกับไม่รู้ตัวในทางโลกหรือทางการแพทย์นี่มันต่างกันนะทางการแพทย์นเนี่ยนะคนที่ไม่รู้ตัวคือคนที่โดนรมยาสลบหรือว่าช็อกนะโคมา่าหรืออาจจะรวมไปถึงคนที่เป็นบ้าวิกลจริตไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าไม่รู้ตัวทำอะไรก็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 ถูกทำอะไรถูกได้ยังไงก็คงคล้ายๆกับคนที่ละเมอนะคนละเมอเนี่ยเขาก็สามารถจะเดินลงบันไดเดินออกนอกบ้านหรือเปิดประตูได้เหมือนกันอคนละเมอเนี่ยเขาทาอะไรได้ถูกเหมือนกันนะแต่เราก็รู้ว่าเขาหลับเยตอนนั้นเขาอยู่ในภาวะหลับแต่ว่าเขาอาจจะนึกฝันอะไรได้นะเราก็ว่า ตื่นก็ได้ก็จะฝันว่ากำลังตื่นอยู่แต่ว่าเขาหลับทั้งที่หลับก็ยังทำอะไรได้ถูกนะแต่นั่นนี่เรียกว่าหลงถ้งาถือแม่เราลืมตาอยูนะ่เราก็ยังหลงได้แล้วถ้าเราปล่อยตัวหลงนี่มันครองใจไปเรื่อยๆนะ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 คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยยิ่งอายุมากเนี่ยก็ยิ่งหลงนะแล้วก็พอหลงแล้วมันก็ทุกตัวเองทุก์ไม่พอสร้างความทุกข์ให้คนอื่นบางคนก็มารื้อหลวงความเป็นเจ้าอารมณ์นะหงุดหงิดบางคนก็วิตกกังวลหนักนะพอห่วงลูกห่วงลูกไม่พอห่วงหลานนะอันนั้ก็เรียกว่าหลงเหมือนกันนะ ไห้ความหลงมันน่ากลัวตรงที่ว่าพอหลงแล้วไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าหลงจะมองข้ามหรือว่าดูแคลนความหลงนี่ไม่ได้เลยนะคนเราแม้จะเรียนสูงแค่ไหนแต่ถ้าหลงหรือลืมตัวแม้เพียงชั่วขณะดเดียวเนี่ยมันก็พาชีวิตเนี่ยสู่ความพินาศได้นะมันมีคําพูดว่าเนี่ยความรู้ท่องหูเอาตัวไม่รอดเนี่ยนี่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 ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเพราะว่ า, ารู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยรักลูกคนอื่นมากกว่าตัวเองพ่อแม่ไม่เป็นธรรมไอความโลภผสมความโกรธความเกียนก็เลยทำให้เกิดบันดาลโทสะนะแต่บางทีก็ไม่ใช่บันดาลโทสะเชี่อเพราะมันมีการวางแผนไม่ล่วงหน้าก็มีคนเราเนี่ยแม้จะรู้ผิดชอบชั่วดีนะ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 แต่ถ้าจับไม่ถูกนี่มันก็ทำร้ายเราได้นะความเป็นส ม, มณะนะที่บรรปชิตทนะีปฏิบัติไม่ถูกก็ย่ำจุดลงนรกธรร ม, มะนี่ถ้าศึกษาไม่ดีศึกษาด้วยความหลงนะมันก็ทำให้เกิดโทษนะอย่างเช่นศึกษาธรร ม, มะเพื่อเอาไปเล่นงานคนอื่นหรือเพื่อยกตนข่มท่าน ในมันมีนักปฏิบัติทำนักภาวนาจํานวนมากเนี่ยที่ปฏิบัติด้วยความหลงนะแล้วก็ใช้ธรรมะเนี่ยไปเล่นงานผู้อื่นไปข่มขี่คุกคามผู้อื่นอันนี้ทำด้วยความหลงศึกษาธรรมเ่ไม่ว่าศึกษาปริยัติหรือว่านําไปปฏิบัตนะิถ้าปฏิบัติด้วยความหลงแล้วเนี่ยมันก็ทำให้จมอยู่ในความทุกข์มากขึ้นงั้นจะไปดูแคลนนะ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 มันต้องเกิดจากการปฏิบัติจะแค่ฟังจะแค่นึกเอาไม่ได้อย่างตะมาเนี่ยพูดเรื่องความรู้ตัวแล้วเราฟังฟังทุกวันเวลาหลายครั้งเนี่ยมันไม่ได้ช่วยทําให้ความรู้ตัวมากขึ้นเลยกลับทําให้หลงมากขึ้นด้วยกลับทำให้หลงมากซะอีกเพราะพอฟังบ่อยๆฟังบ่อยๆมันก็เลยชินชาใจมันก็คิดไปเรื่องอื่นแล้ว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 ยกมือก็รู้นะเดินก็รู้หรือว่ารู้สึกคําว่ารู้ก็รู้สึกเนี่ยนะมันไม่เหมือนกันแต่มันก็ใกล้เคียงกันนะั้นนะหรือว่ามันเกี่ยวเนื่องกันถ้าเรารู้ตัวหรือใจอยู่กันเนื้อกับตัวนะกายทําอะไรก็รู้สึกนะแม้แต่กระดิกนิ้วคือน้ําลายหายใจ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 ด้วยการทำให้จิตมีสติแล้วลึกไดว้ว่ากำลังหลุดลอยไปจากปัจจุบันแล้วจิตพอมีสติมันจะกลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเนื้อกับตัวอ่ะก็รู้ตัวทั่วพร้อมมันง่ายๆนะเพียงแค่ให้รู้สึกเฉยๆไม่ต้องทำอะไรมากกว่ารู้สึกอันนี้คือรู้กายนะตอนหลังเนี่ยพอสติมันไวขึ้นความรู้สึกตัวเกิดขึ้นทีทีทีท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 นะด่าคนในทางเฟซบุ๊กเพราะว่าตอนนั้นมันลืมตัวแต่พอเรามีสติไวขึ้นนะมันรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นความรู้ตัวจะกลับมาเร็วเรียกว่าเริ่มต้นจากการรู้กายก่อนนะต่อไปมันก็จะรู้ใจได้ไวขึ้นนะซึ่งก็สรุปนะมาเป็นหลักนะที่หลวงพ่อท่านได้สอนเอาไว้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 ขับไล่ความหลงหรือตัวหลงออกไปจากเดิมเนี่ยทั้งวันเนี่ยหลงมากก็ร่รู้ต่อไปเนี่ยรู้จะมากก่หลงนะแล้วมันจะทำให้ชีวเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะถ้าเมื่อใดก็ตามที่รู้มากก็่หลงแต่เมื่อใดเมื่อใดยังปล่อยให้หลงมากก่รู้เนี่ยช่วเราก็ยังย่าแย่เหมือนเดิมเลยจะหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะ ต, ตัวหลงมันไม่คอยมันไม่ได้อยู่นิ่งนะมันก็จากพยายามแผยทิพล ขยายนาเขตแล้วก็ไล่ตัวโรคไปนะตอนหนุ่มๆอาจจะรู้หนุ่มๆสาวๆอาจจะรู้สักสมสิเอร์ ซ, ซ, ห, ซหลง7จสิเปอร์เซแต่พอแก่ตัวเนี่ยจะรู้ตัวแค่สิบเอร์ซนหลงเก้าสิบแย่เลยแต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติถูกนะหลงเนี่ยมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆจาก7จสิบเอร์ซก็เหลือหกสิเอร์ซหลสเอร์ซหรืออาจจะเหลือแค่ 30% สิ ส่วนรู้นี่มันมากกว่าแล้วชื่นเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอาวชาตเดียวกันท่านี้นะกราบับ